เจตบุตรกล่าวว่ามหาพรามนั่นภูเขาคันธมาตอันล้วนแล้วด้วยหินพระเวสสันดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศเป็นพรามทรงขอสำหรับสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาทรงนุ่งห่มหนังเสือบันทมเหนือแผ่นดินทรงบูชาไฟประทับอยู่ณอาสมใด เมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาสมนั้นนั่นหมู่ไม้เขียวชะอุ่มทรงผลต่างๆและภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชะอุ่มนั่นแลเป็นเหล่าอัญชันบันพดภูเขาที่เต็มไปด้วยดอกอัญชันเห็นปรากฏอยู่หมู่ไม้คือไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้ตะเคราะเถาย่านทาย ย่อมวันไหวไปตามลมดังมานกดื่มสุราคราวเดียวก็ส่วนเซไปมาอยู่ฉะนั้นท่านได้ฟังเสียงฝูงนกคือนกโพระดกนกดุเวาวนกกระลางอันจับอยู่บนกิ่งไม้ปานดังเสียงเพลงขับส่งเสียงร้องบินจากต้นไม้โน้นมาสู่ต้นไม้นี้ทั้งหมู่ไม้ที่ต้องลมพัดสบัดกิ่งและใบเสียดสีกัน คล้ายกับจะเรียกคนผู้กำลังเดินไปให้หยุดและเหมือนดังชักชวนคนผู้จะผ่านไปให้ยินดีชื่นชมพักผ่อนพระเวสสันดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศเป็นพราหมณ์ทรงขอสําหรับสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาทรงนุ่งห่มหนังเสือบันทมเหนือแผ่นดินทรงบูชาไฟ ประทับอยู่ณอาสมใดเมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาสมนั้นในบริเวณอาสมนั้นมีหมู่ไม้มะม่วงมะขิดขนุนรังว่าสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมโพพุทธามะพลับทองใสมะสังมะสางหวานและมะเดื่อมีผลสุก อยู่ในที่ต่ำงามรุ่งเรืองกล้วยงาช้างกล้วยหอมผลจันทร์มีรสหวานเหมือนน้ำพึ่งรวงพึ่งไม่มีตัวมีในที่นั้นคนเอื้อมมือปลิดมาบริโภคได้เองในบริเวณอาสมนั้นมีต้นมะม่วงบางต้นออกช่อแย้มบานบางต้นมีดอกและใบร่วงดล่นปริผลดาดเดินบางอย่างยังดิบ บางอย่างสุกแล้วผลมะม่วงดิบและสุกทั้งสองอย่างนั้นมีสีดังหลังกบอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นบุรุษยืนอยู่ในภายใต้ต้ น, ตนก็เก็บมะม่วงสุกกินได้ผลมะม่วงดิบและสุกทั้งหลายมีสีสวยกลิ่นหอมและรสอร่อยที่สุดเหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่น่าอัศจรรย์แกข้าพเจ้าเหลือเกิน ถึงกับข้าพเจ้าออกอุทานว่าออเอ อ, อที่ประทับอยู่ของพระเวสสันดร น, นั้นเป็นดังที่ประทับอยู่ของถวยเทพย่อมงดงามปานด้วยนันทนวันมูต้นตาลต้นมะพร้าวและอินทพลมที่มีอยู่ในป่าใหญ่มีดอกเรียงรายกันอยู่เหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้มูไม้เหล่านั้นย่อมปรากฏดังยอดธงชัย ในบริเวณอาสมนั้นมีหมู่ไม้ต่างต่างพันคือไม้โมกมันโกศาคานแคฟอยไม้บุญนาคบุญนาคเขาและไม้ทองหลางมีดอกบานสะพรั่งสีต่างๆกันเหมือนหมู่ดาวเรื่องอยู่บนน้าอากาศฉะนั้นอันหนึ่งในบริเวณอาสมนั้นมีไม้ราชพฤกษ์ไม้มะเกลือกฤิศนารักดำ ต้นไซใหญ่ไม้รังไก่ไม้ประดูมีดอกบานสพรั่งในบริเวณอาสมนั้นมีไม้มูกหลวงไม้สนไม้กระทุ่มขนุนสัมมาโไม้ตะแบกไม้รังล้วนมีดอกเป็นพุ่มพวงดังลอมฟางในที่ไม่ไกลจากอาสมนั้นมีสะโบกขรณีณภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ใจ ดารดาดไปด้วยดอกปธุมชาติและอุบลจุดสะโบกครณีในสวนนันทนวันของทวยเทพฉะนั้นอันหนึ่งณที่ใกล้สะโบกครณีนั้นมีฝูงนกดูเว่าวเมารสดอกไม้ทรงเสียงไพเราะจับใจทำป่านั้นให้ดังอึ ก, กทึกกึกก้องในเมื่อคราวหมู่ไม้ผลิดดอกแย้มบานตามฤดูกาล รสหวานดังน้ำพึ่งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้ลงมาค้างอยู่บนใบบัวย่อมชื่อว่าน้ำพึ่งใบบัวอันหนึง่งลมทางทิศทักษิณและทางทิศประจิมย่อมพัดมาที่อาสมนั้นอาสมเป็นสถานที่เกลื่อนกล่นไปด้วยละอองเกสรปฐุมชาติในสะโบกครณีนั้นมีกระจับขนาดใหญ่ๆ ทั้งข้าวสาลีเกิดเองอ่อนบ้างแก่บ้างล้มดาระดาษอยู่บนภาคพื้นและในสะโบกครณีนั้นน้ำใสสะอาดมองเห็นฝูงปลาเต่าและปูชนิดต่างๆเป็นอันมากแวกว่ายไปมาเป็นหมู่หมู่รสหวานปานน้ำผึ้งย่อมไหลออกจากเงาบัวรสมันปานนมสดและเนยใสย่อมไหลออกจากสายบัว ป่านั้นมีกลิ่นหอมต่างๆที่ลมรำเพยพัดมาย่อมหอมฟุ้งตลบไปป่านั้นเหมือนดังจะชวนเชิญคนที่มาถึงแล้วให้เบิกบานด้วยดอกไม้และกิ่งไม้ที่มีกลิ่นหอ ม, มแมลงผู้ทั้งหลายต่างก็บินว่อนวูกบรรลือเสียงอยู่โดยรอบด้วยกลิ่นดอกไม้อันหนึ่งที่ใกล้อาสมนั้นฟูงวิหกเป็นอันมาก มีสีต่างๆกันบันเทิงอยู่กับคู่ของตนของตนร่ำร้องขานขันแก่กันและกันมีฝูงนกอีกสี่หมู่ทํารังอยู่ใกล้สะโบกครณีคือหมู่ที่หนึ่งชื่อว่านันทิกาย่อมร้องทูลเชิญพระเวสสันดรเจ้าให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่านี้หมู่ที่สองชื่อว่าชีวปุตตา ย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสีจงมีพระชนยืนนานด้วยความสุขสําราญหมู่ที่สชื่อว่าชีวปุตตาปิยาจโนย่อมร่ำร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสี ผู้เป็นที่รักของพระองค์ทรงพระสําราญมีพระชนมายุยืนนานไม่มีค่าศึกศัตรูหมู่ที่สี่ชื่อว่าปิยปุตตาปิยนันธาย่อมร่ําร้องถวายพระพรให้พระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสีจงเป็นที่รักของพระองค์ขอพระองค์จงเป็นที่รักของพระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสี ทรงชื่นชมโสมนัสต่อกันและกันดอกไม้ทั้งหลายย่อมตั้งเรียงรายกันอยู่เหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้มูไม้เหล่านั้นย่อมปรากฏดังยอดธงชัยมีดอกสีต่างๆกันดังนายช่างผู้ฉลาดเก็บมาร้อยกลองไว้พระเวสสันดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศเป็นพราม ทรงขอสำหรับซอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาทรงนุ่งห่มหนังเสือบันทมเหนือแผ่นดินทรงบูชาไฟประทับอยู่ณอาสมใดเมื่อท่านบ่ายหน้าไปทางทิศอุดอรจะได้เห็นอาสมนั้นชูชกกล่าวว่าเออก็ข้าวศัตรูผงอันระคนด้วยน้ำพึ่ง และข้าวสตูก้อนมีรสหวานอร่อยของลุงนี้อั น, นางอมิตตาปนาจัดแจงให้แล้วลุงจะแบ่งให้แก่เจ้าเจตบุตรกล่าวว่าท่านพราหมณ์จงเอาไว้เป็นสเสบียงทางของลุงเถิดข้าพเจ้าไม่ต้องการสเสบียงทางขอเชิญท่านรับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างจากสำนักของข้าพเจ้านี้เอาไปเป็นสเสบียงทางอีกด้วย และขอท่านจงไปตามสบายเถิดหนทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวมาตามทางนี้ตรงไปถึงอาสมของอัจจุตตลือีแม้อัจจุตตลือีอยู่ในอาสมนั้นมีฟันเคอะมีผมเกลือกกลวทุลีทรงเพศเป็นพรามมีขอสำหรับสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดานุ่งหม่มหนังเสือ นอนเหนือแผ่นดินบูชาไฟลุงไปถึงแล้วเชิญถามท่านเถิดท่านจากบอกขนทางให้แกลุงชูชกผู้มีเผ่าพันธุ์พรมได้ฟังคำของเจตบุตรดังนี้แล้วมีจิตยินดีเป็นอย่างยิ่งกระทําประทักษิณเจตบุตรแล้วได้เดินทางตรงไปณสถานที่ที่อัจุตฤรฤษีสถิตอยู่ จุนวะนวันนาจบ